ฟังธรรมเนาะกันดังธรรมวัดเช้าดัางธรรมวัดเย็นก็ฟังเนีงูบาอาจารย์บ้านนหรือตอนเช้าก็ฟังครูบาอาจารย์ก็การศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือการที่ เราจะทําไงให้เราได้เห็นเหมือนอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยแหละเห็นด้วยปัญญาเนอะเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงมันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงมันเป็นทุกข์เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงมันเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีสติปัญญาเนี่ยเห็น ความจริงของของสังขารนนะ่ะคือของรูปของนามมันเป็นแบบนี้นมันไม่เทียมมันเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกาหนัดนะ่ะความยึดถือนะ่ะความยืดมั่นถือมั่นต่างๆมันก็จางคลายไปนะ่ะความปล่อยวางก็เกิดขึ้นอันเนี้คือจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกหัดนะ่ะให้มันเกิด ให้ถือตรงนี้ให้ได้แต่ถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าคือให้เราเห็นเห็นโทษเนีเห็นโทษของเห็นโทษ ข, ของสิ่งที่เราเกยหลงผิดกับมันนั่นแหละนะเช่นกรารมาคุณนะเราเห็นโทษของมันไหมเนี่ยนะนะหรือสิ่งที่ เป็นเรื่องของการคิดถึงอดีตถึงอานาคตคนเนี้ยนะเราเห็นโทษของมันไหมนะนะชีวิตนะที่ผ่านมานะหรือชีวิตที่เราเห็นคนอื่นเขากระทำนะทำความไม่ดีนะหรืออยู่กับโลกแบบลงล ง, ลงโลกแบบเนี้ยนะเราเห็นโทษของมันไหนะถ้าเมื่อไรที่เราเห็นโทษนะนะ เราก็จะเห็นว่าอ้อไอ้ชีวิตแบบนั้นมันเป็นชีวิตที่มันไม่มีประโยชน์เลยนะมันมีโทษนะมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วนะหรือเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นทุกข์นะี่จริงการเห็นโทษนะก็คือการเห็นทุกข์ในแบบนึงแหละนะเห็นว่าเออเป็นแบบนั้นมันเป็นทุกข์เนาะน่ะ มันเป็นโทษมันไม่ควรที่จะเราจะไปต้องไปเกี่ยวข้องข้อแวะหรือว่าไปอยู่กับมันนี่นะมันก็จะทำให้เราออกมาออกมาเองนะเหมือนกับยศะะคุณบุตรใช่ไหมนะมีชีวิตที่เป็นลูกเศรษฐีนะอยู่กับความสะดวกสบายนะตั้งแต่เล็กจนเป็นหนุนะ่มมีครอบครัวนะก็สะดวกสบายนะ มีเงินมีทองมีกดใช้มีภรรยามีทุกอย่างพร้อมหมดนะแต่พอเริ่มเห็นโทษนะเริ่มเห็นโทษของการเสพติดกดีเยอะๆไม่เห็นจะมีประโยชน์ไดเลยแต่ก็มองเห็นที่นี่บุญบาย น, อน้อที่นี่ขัดข้อง น, อน้อนะก็เห็นการอยู่กับโลกมันเป็น สิ่งที่วุ่นวายนสิ่งที่มันขัดข้องเนินออกมาเนินออกนาจะไปหาที่ที่ไม่วุ่นวายจะหาที่ที่ไม่ขัดข้องพระพุทธเจ้าก็บอกนี่แหละนะที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เธอก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าที่ป่าอิติปันะมรุกขายวัน แต่จริงคําว่าที่นี่นะไม่ใช่สถานที่นะแต่ที่นี่คือที่ที่มีสติมีสัมปชัญญะมีมีศีลธรมาธิปัญญาะมีมักมีผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่ที่ตรงเนี้ยนะจะไม่บุนวายจะไม่ขัดข้องอจะเรียกว่าที่ตรงนี้นะไปเป็นที่ที่มีคุณนะไม่ใช่เป็นที่ที่มีโทษ ใช่ไหมทำก็มันก็มีสิ่งตำท่ากันมีมีโทษกัมีคุณท่านเมื่อไรที่เราบอ ง, บองเห็นโทษของความความหลงความผิดความไม่ดีหรือแม้แต่ความไม่มีสาร ะ, ะไม่มีแก่นสารของสิ่งที่กระทำอยู่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เนี่ย นะหรือทำไปมันก็มีประโยชน์น้อยมีโทษเยอะเหมืนะอนนี้ถาเมที่เราพิจารณามองเห็นโทษคนะนี้นะนะความเบื่อนหน่ายความคลายกำหนัดนะมันจะเกิดขึ้นมานะมันจะทำให้เรานะแสวงหาทางที่จะออกจากความทุกข์จากโทษตรงนั้นนั่นแหละนะไม่มีใครนะจมอยู่กับนะ จมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับสิ่งสกปรกจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีสาระตรงนั้นหรอกเนะ่ยคือใจมันจะดิ้นรนในการออกมานะดิ้นรนในการออกมาเหมือนพวกเาเราหลายๆคนนะบางทีก็เราใช้ชีวิตเราก็เห็นความบุนวายของชีวิตแบบภาลวาดนะเราเห็นความ ไม่มีสาระความเป็นทุกข์ความมุ่นาวายของชีวิตที่มันผ่านมาบ้างนะมันก็ทําให้เราสแสวงหาทางที่จะทําให้ความทุกข์มันน้อยลงเนะทาให้ความมุ่นวายมันน้อยลงเนะี่ยให้เกิดความสุขที่แท้จริงเนะี่ยนหรือแม้บางคนไม่ได้ออกบวชนะแต่ถ้าเราเนี่แหละเห็นว่าอ๋อธรรมะนยะมันเป็นสิ่งที่มีค่านะมากกว่า น, ะกนนะีการใช้ชีวิตไปวันวันนะการใช้ชีวิตไปวันวันบัญชีมันก็ไปต่างจากตัดทั้งหลายนะทั้งหลายที่เกิดโลกนี้เนาะก็มีเรื่องการกินการขี้การปี่การนะนอนนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะก็วนไปเรื่อยนะวนไปไม่สิ้นสุดนะในพบน้อยในพบใหญ่นะ พบใหญ่คือการเกิดนะจนทั่งถึงตายนะพบน้อยคือการเกิดในจิตนะเกิดนะรักโลภโกรธโลนะอยากได้ไปอยากได้นะชีวิตตัดทั้งหลายก็เกิดแบบนี้แหละนะเกิดนะเกิดในพบน้อยก็ดีพบใหญ่ก็ดีนะหมุนเวียนกันแบบนี้ไปเรื่อยนะเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเนราชาต เป็นสัตว์นะลกเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมนะอะไรก็แล้วแต่มันก็หมุนเวียนกันไปไม่จบไม่สิน้นที่มันหมุนเพราะอะไรหมุนเพราะมันหลงโลกติดยังยึดติดยังครัวพันยังอะไรอวบ อ, อยู่กับโลกมันก็กลับมานะโลกนั้นโลกนี้บ้างแต่ก็คือมันยังมีความ หลงยะมีความยึดติดยะมีความผูกพันอะไรอวบอนนะยังไม่ทายเนะี่ยให้เราคอยมันพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะบางทีสติปัญญาที่แท้จริงมันยังไม่เกิดนะเราก็อาศัยการพิจารณาช่วยก็ได้นะนะอะไรบางอย่างบางทีเราก็ไม่ได้เป็นประสบการณ์ของเราเอง เราได้ยินได้ฟังนะหรือเราก็เคยมาประสบมาบ้างเนะี่ยเราก็อาศัยพิจารณาอ๋อมันวุ่นวายแบบนั้นเนาะ น, นะชีวิตเ อ, อทางโรกมันวุ่นวายแบบนั้นแบบนี้มันเหนื่อยเ อ, อมันเป็นทุกข์อย่างงั้นอย่างนี้นะเ อ, อเราก็อยากจะออกมาแล้วนะหาที่ที่สงบหาที่ที่มีเวลาในการภาวนามากกว่าเนี้มันมีประโยชน์แล้วนะเราก็พิจารณานะ ฟัเรื่องของคนอื่นดูเรื่องคนอื่นนะน้อมเข้ามาใส่ตัวมาพิจารณาก็ได้บางทีไม่ต้องไปรองทุกอย่างนะบางทีที่มันมันไม่ดีมันสกรปรกเนี่ยไม่ต้องลองอะไรดูเอานะเราเห็นเขาเห็นไหมอ่ะเหมือนคนติดยาเสพติดแบบนี้เนาะเอติดยาบ้าติดเฮโร อ, อีนติดอะไรก็แล้วแต่นะบางที เราเองก็ไม่ต้องไปติดเองทุกอย่างถึงจะรู้ก็ได้ว่ามันเป็นแบบไหนนะเราเห็นเขาติดแล้วเขาเป็นแบบไหนนะสภาพร่างกายสภา พ, าภาพาจิตใจนะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์งไงเราก็พารนาดรู้แล้วนะไม่จะเป็นต้องไปลองเองทุกอย่างแต่ความทุกข์ทำโลกนะบางทีเราก็เราก็มีเยอะแหละเพราะเราเกิดมานะเราโตขึ้นมาเนี่ย เราก็ได้ใช้ชีวิตนะมาพอสมควรแนละ้วก็เอาประสบการณ์ชีวิตของเราบ้างประสบการณ์ชีวิตคนอื่นบ้างนะมาน้อมพิจารณาบ่อยๆนะให้มันเห็นโทษนะของการที่เราหลงอยู่ในวัฏสงสารตรงนี้นะนะจะได้เกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความคลายกำหนัดนะจะได้ไม่ต้องมีความอยากได้อยากมีอยากเป็น อยเอาอะไรมากมายเนะ่ะมันจะได้มันจะมีเออมันจะเป็นอะไรก็มันก็เป็นแบบสมมุตินะแบบเราก็มีแบบมีแบบปล่อยวางเนะ่ะมีแบบไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะมีก็คิดอยู่เสมอว่าเเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องตายนะก็เอาไปไม่ได้เหมือนเดิมนะ่ะมีก็เพียงแค่ใช้รักษาเนะี่ยเฉยเฉยเนะ่ะ มีแบบไม่มีนะมีแบบไม่มีตัวเราเป็นเจ้าของนะมีแต่เพียงว่าเราแค่แค่ดูแลมันนะแต่เราไม่ใช่เจ้าของขอ ง, ของมันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปคิดว่ามันเป็นของขอ ง, ของเราจริงๆนะมันเป็นเจ้าของเราละเราจะหนักเราจะทุกข์เราจะเหนื่อยแต่ถ้าเราเออเราก็รักษาเราก็ดูแลไปนะ แต่เพราะวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ของของเราเนะมื่อเราอยู่วัดแบบนี้นนะใช่ไหมอะไรอยู่ที่วัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของพระอาจารย์ตุ้มไม่ใช่ของพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ใช่ของโยมคนใดคนหนึ่งนะมันก็คือของของสมนะเราก็แค่ใช้สารานี้ใช้กุตินี้นะใชนะ้สิ่งต่างๆในที่นี้นะวันหนึ่งเราไม่อยู่ แล้วก็ไปไม่ได้เนี่ยวันะหนึ่งเราตายไปของทุกอย่างก็เป็นของให้คนอื่นเข้ามาใช้ต่อเนะี่ยโลกก็เป็นแบบนี้แหละนะที่จริงคารวะวัดเองก็หลงโลกนั่นนะมีที่เป็นหลายติบหลายร้อยหลายพันไร่นะตายไปก็ไปไม่ได้นะที่ดินก็เป็นของของโลกอยู่แบบนี้แหละนะทรัพย์สินสมบัติก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันใช้เนะ่ยไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกเนะี อันนี้คือคือความที่มันไม่มีสาระขอบโตกกัความไร้แก่นสารความเป็นทุกความเป็นโทษของมันเนี่ยเราก็น้อมพิจารณาบ่อยๆนะมันจะได้เกิดความคลายความกำหนัดนคลายความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ามันจะดีขึ้นไปกว่านั้นนะมันต้องเห็นด้วยสติปัญญาเนี่ยมันมการคิดพิจารณามันก็เป็นเพีหมือนเป็นการน้อมะ น้อมนำทางนะคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับล่องนะ่ะล่องน้ํำนะ่นะน่ะเราก็ทําล่องมันไว้ก่อนเมื่อฝนมันตกนะ่ะฝนมันจะลงร่องน้ําตรงนั้นนะ่ะแต่การคิดเฉยๆมันถ้าเรามันไม่ไม่มีการเห็นจริงๆเนะี่ยมันก็ยากที่จะพ้นออกจากความทุกข์ตรงนั้นนะ่ะมันเหมือนมีร่องน้ํำนะ่ะ แต่ไม่มีฝนตกเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมเหมือนเราเตรียมนะขุดสะขุดบอ่อไว้แล้วแนตะ่ฝนไม่ตกลงมานะบอ่อนั้นสะนั้นมันก็ไม่เต็มนาสตีนั้นการคิดพิจารณานะมันก็เป็นส่วนประกอบเบื้องต้นเฉยๆนะแต่การภาวนาเนี่ยแหละนะ มันจะทำให้เราเห็นความจริงเห็นความจริงนะเมื่อใดที่เราเห็นคุณค่าของการภาวนาจริงๆนะออมันเกิดความสุขแบบนี้นะมันเกิดความสงบแบบนี้นะมันเกิดความปล่อยความบางความเบาความเย็นแบบนี้เลยเรียกว่าเราเห็นคุณนะ เหตุคุณค่าที่แท้จริงของการที่เราได้มาฝึกจิตฝึกใจแหละมันจะมีความขยันนะมีความอดทนนะมีความพอใจในการอยู่แบบนี้แหละคานะนี้เราก็จะนะเป็นผู้ที่อยูนะ่พอใจในการอยู่กับความไม่มุูนวายนะพอใจในการอยู่แบบง่ายนะ พอใจในการอยู่เพื่อการฝึกตนนะบางทีอาจจะไม่สบายนะแต่ก็พอใจในการอยู่แบบนี้แหละได้ฝึกตนดีนะเนะนี่ยเนี่ยจะเห็นคุณค่าของการที่เราอยู่กับธรรมะนะศึกษาธรรมะอยู่กับธรรมะนะแต่ก็ไม่ใช่การติดนะในความดีไม่ใช่ติดในความสุขไม่ใช่ติดในความสงบนะต้อง ต้องดูดีๆว่าออสงบก็รู้นะปิติสุขสบายก็รู้นะพอใจนะก็รู้นะคือเราเห็นคุณในการทำแบบนี้นะแต่เราอย่าไปติดในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอะไรจะเกิดขึ้นมานะดูมันออชั่วคราวทั้งนัานแหละนะสงบก็ชั่วคราวนะสุขก็ชั่วคราวนะ ดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะไม่มีอะไรหรอกนะมันก็มีแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะให้เราเห็นนะยิ่งเห็นบ่อยๆนะยิ่งเบายิ่งสบายนะเพราะว่าอะไรนะวุ่นวายก็ไม่เอานะสงบก็ไม่เอานะชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาเพราะถ้ามันเอาไป มันเอาดีนะมันก็จะเกียดชั่วมันเอาสงบมันก็จะกลัวความวุ่นวายมันเอาความสุขมันก็จะดีความทุกข์แต่พอวันนานเหนือขึ้นมานะเป็นการอยู่แบบเหนือน αι, อยู่แบบเหนือเหนือชั้นเหนือความสุขเหนือความทุกข์เหนือความดี เหนือความไม่ดีนะเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจเนะภาวนา ม, มันเหนือขึ้นมาเหนือนะอยู่แบบเหนือเหนือนะแต่เมื่อกี้เมื่อวานที่เราฟังนะหลวงพ่อพูดถึงท่านเวรางก็น่าสนใจนะท่านเวลานบอกว่าไม่อยู่กับตรงไหนแล้วก็เป็นภาษานึ่งนะคือทว่าไม่อยู่ตรงไหนคือเนะี่ยไม่อยู่กับโล ก, กธรรมทั้งหลายนะ ไม่อยู่กับสุดไม่อยู่กับทุบนะไม่อยู่ตรงไหนเลยนะนะก็พูดแบบนั้นก็ได้นะนะไม่อยู่ตรงไหนนะหรือพูดแบบอยู่เหนือโลกนะพ้นโลกออกมาเนะี่ยอย่างภาษาพระนะเขาบอกอยู่แบบผูดพน้พนโลกนะนอกโลกนะไม่ใช่ว่าเราไปอยู่นอกจั ก, กรวาล น, นะอยู่นอกดาวเคราะห์โลกตรงนี้นะแต่คือเราอยู่กับโลกนั่นแหละ แต่ใจไม่ติดใจไม่ยึดใจปล่อยวางเละเนี่ยโลกคือสังขารร่างกายจิตใจนี่นะหรือโลกคือพภอที่เราเกี่ยวข้องนี่นะเราอยู่กับเขาเนี่ยแหละนะแต่ไม่ติดเขานะอยู่กับโลกกะระทำหนีอะไรก็หนีไม่พ้นหรอกทนะุกข์ทุกข์บวกลบต่างๆเนะนี่ยหนีอะไรก็ดีไม่พ้น เกิดแก่เจ็บตายานะก็หนีไม่พ้นนะใช่ไหมใช่ไหมแต่เราก็อยู่กับมันแบบไม่ติดมันนะมีสติในการเห็นนะเห็นทุกอย่างนะดูไปเลยเห็นมันนะที่ปัจจุบันนะดูมันที่ปัจจนะุบันอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูมันนะไม่เกิดก็ไม่ต้องไปสนใจไปรอดูมันไปพิจารณามันนะ ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะยังไม่เกิดก็ชั่งหัวมันนะดูแบบนะ้นะอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูนะทุกข์ก็ดูทุกข์ก็ดูดีก็ดูไม่ดีก็ดูนะนะดูแบบนะั้นนะไม่ติดนะเพราะบางทีนะบางทีถ้าด้านดีด้านทุกข์นั้นสบายนะบางทีถ้าเราไปติดนะมันก็เป็นตัวเป็นตนแบบหนึ่งทันนั้นไปภูฐานนะก็ได้ ถามคําถามท่านรามะร่วมหนึ่งท่านเรื่องของเราก็สังเกตเห็นคนบางทีทําความดีนะน่ะทําประโยชน์เป็นจิตอาสานะแต่บางทีทําไปก็ทุกข์ทําไปก็มีปัญหาะกับคนนั้นคนนี้นะก็ถามว่าเออท่านมีคาแนะนํามีวิธีในการทํางานแบบไหนเพื่อจะช่วยคนแบบนี้อะไรนะท่านก็ตอบว่าโอ้วบางที คำว่าเจตนาดีนะมันก็เป็นตัวตนแบบหนึ่งเหมือนกันบางคนทำอะไรนะด้วยเจตนาดีนะมันก็เป็นตัวตนนะเพราะว่าเอาตัวเราเนะี่ยไปทำเนยะเจตนาดีกับคนนั้นคนนี้เจตนาดีกับนะงานเจตนาดีกับคนเจตนาดีกับอะไรก็แล้วแต่นะถามว่ามันดีไหมดี แต่ที่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่า y ood, y ood ยึดยึดว่ากูดีเนาะยึดว่ากูบําดีนะเนะมันก็เลยเป็นทุกข์เหมือนเราเห็นพ่อแม่เนาะเป็นทุกข์เพราะเรื่องของลูกนาะเพราะว่าเจตนาดีนะมันก็ดีนะคุณครูทุกทุกข์เพราะเรื่องของนักเรียนนผู้บริหารทุกข์เพราะเรื่องขององค์กรของบริษัทนะผู้นําก็ทุกข์เพราะเรื่องเนาะ ของประเทศของอะไรก็แล้วแต่มันทุกเพราะว่าเราไปยึดนี่แหละแต่การทำดีนะจบที่ดีนะเจตนามันก็ดีนั่นแหละนะแต่ไม่ไปยึดว่าเรานะเป็นตัวเราเป็นขอบของเรานะเนี่ยมันจะปล่อยมันจะวางนะมันจะไม่ทุกนะนั้นทุกติทอย่างนะมันก็คือให้เรา เห็นมันเนี่ยอยู่เหนือมันนะแรกแรกก็อาจจะใช้การพิจารณาช่วยพิจารณาถึงถึงโทษนะของโลกนะถึงโทษของการวุ่นวายนะถึงโทษของการที่เราหมกมุ่นในการมคุลต่างๆนะพิจารณาถึงคุณนะคือความสุขที่แท้จริงนะของธรรมะนะ มีธรรมะอยู่กับธรรมะเนี่ยมันมีความสุขกว่านะพิจานาไปบ้ากแล้วก็อาศัยความวัตรไปให้มันเยอะๆนะมันเบื่อมันเหมือนต้องช่วยกันนะบางทีก็จะเอาอย่างเดียวบางทีพอถึงจุดหนึ่งมันก็เหนื่อยมันก็เบื่อมันก็ท้อนะบางทีเราก็อาศัยพิจารณาดูอ้อาวประวัติ นะประวัติพระพุทธเจ้าอ่านประวัติครูบาอาจารย์นะหรือว่าเราฝักเลิกดาวผู้โคตนันคนนี้เราก็น้อมประพิจารณาใส่ตัวเออก็เกิดความเกิดควา ม, คขมขึ้นมาในใจอย่าง้อย่างพระรัฐบาลนะท่านทำความเพียรเป็นตาบอดนะท่านยังไม่เลิกทำความเพียรแต่สุดท้ายก็บรรลุธรรได้แบบืนกันเลยนะ้ คูบาอาจารย์ท่านทุดงเนะี่ยผ่านเสือผ่านชางเนะี่ยอยู่ผลอาหารบ้ากอะไรต่างๆมากท่านก็สู้ไม่ถอยอยเยเราเองก็อาศัยความเพียรมาช่วยแบบนั้นเหมือนกันก็ได้เหมือนนะันไอ้นิสือเราก็พยายามน้อมเข้ามาใส่ตัวเนะนี่ยโกเป็นนัานยิ่โกคืแบบน น, น้อม ร้อมมาพิจารณามาช่วยนะแล้วก็ให้มันเห็นจริงๆริงนะเกิดปัจจตังขึ้นในจิตในใจของเราเองจริงเนะี่ยมันก็จะเกิดความเหมือนนายทางกำหนัดขึ้นมาเนาะก็เอาฝากไว้ให้เราได้พิจารณาแล้วก็ให้เราเอาไปทําดูนะเอาไปทำเนะี่ยมันก็จะเกิดผล ด, ด้วยตัวของเราเองก็ฝากไว้ อะไรข้ารต้นมาสมพุโทโธพระ า, าวางทูทางพระวัสดิ์ปฏิวัติสว่งางพระโตพระสวัสด ปฏิปันโนภควาตอสาวกสังโฆตั เซียงบุรีครับที่เรกจะมางานของอาจารย์ที่สี้มาที่จัรดีแต่เดี๋ยวเช้าก็กลับอ๋อและต่เช้านี่ก็กลับลว มาโทราที่ปักช่องันนั้นเราเลยกดจีพีเอสขึ้นมาจริงๆเราอยากให้หนังสของอาจารย์ต้อนะ่าได้ยังครับได้แครับวันนี้อาจารย์พูดก็ดีเพราะว่าผมกำลังติดอยู่เรื่องที่อาจารย์พูดอยเนี่ยเรื่องอะไรคือเวลาเวลาเวลาปฏิบัติไปเนี่ยบางทีมันก็มีความคิดเกิดมารก็สงสัยเอ๊ะข้ามมันเลยไปหรือหราบาทีมันเหมือนพอเราเกิดเหตนแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดจาเอะไรเนี่ย มันก็มันเหมือนกับเราที่นาไปพี่แตงไปอะไรพวกโชแกไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราก็จะทําสติอยู่เรื่อยๆ่ายใเราก็เชจานพุ่งเลบางทีก็ยังคิดอยู่ว่าความคิดมันก็ปองปิติดุความคิดมันก็ปองปิตัวุ่มงวความคิดมันก็ปครอปิปกคองให้ให้ให้ให้ด่มให้อยู่ี้ก็จะกลับไปกลับมาว่าจานพเออเข้าใจ ใช่มันช um ่วยกันแต่ก็แต่ก็อยากคิดอย่างเดียวมันก็ไม่มันไม่ผลอกต้องเห็นนะยคือพยายามเราก็จะกลับไปที่ความรู้สึนอะจะกลับมาแต่เอะ้อกลับมาเลยด้วยไปที่เหมือนกับเราก็ไปหาคือไอ้จิตมันธรรมชาติมันหายเหตุผลใช่ไหมหายเหตุผลเราจชาติเขาหายเหตุผลหาเหตุผลเราก็เอ๊ะ้องกลับมาที่ความสุดเลยไหมหรือต้องต้องดูให้เสกทุกองให ผมรู้สึกผมรู้สึกเหมือนเลยเนคือพวคิดกับกับสติเนี่ยมันประคองกันนู่นก่องประคองไปถึงตอนนี้จะอยู่ตัวตรงตัวเองได้เพราะมีะมมแต่ตแต่<ช>ไม่ต้องคิดมากแบบถ้าเราพอจะเห็นคนเหตโทษมันคิดเอามามาช่วยมันคล้ายคเหมืนอนพอที่มันติดหลบหรือว่าตอนที่เราฟังเรื่องอะไรเราก็นอมอมันก็ได้ได้ได้เกิดความเบื่อหน่ายมากขึ้นเนาะ แต่เวลาปฏิบัติไม่ต้องเป็นตั้งคิดอะไรเมือนับทีมันก็อย่างอาจารย์ว่าทีมันก็ตื่นดี่างทีเราคนเราก็โกรธงทน็แล้วก็วันนี้ที่นั่งกับแฟนเนี่ยครับที่แฟนมันคือนอนนอนอยู่ก็คือเราว่านั่งมาเราต้สู้เออมาอยู่ที่สติรู้ดีกว่าเพราะว่าทีเราก็ไปจมอยู่อารมณ์ อยู่อารมณ์เกบนคนเพราะว่ามันก็ไม่ประโยชน์ลเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราถู่อารณใช้ตลอดเวลาอรมใช้แล้วก็เวลาแล้วก็ตัว้ายคือหังตัวลายคือลตัวายทีุ่ดทีนี้แต่ก็พูนยผมผมเห็นว่าท่านพิการนะแต่ท่านยังสามารถที่งผมไม่รู้ว่าท่านเจชีวิตเป็นเพสมัยเรียนเหรอ เป็นเพื่อนสมัยเรียนเหอ๋อนไม่ไม่ม่ม่เพื่อนนะครับก็คือว่าท่านอยู่อ่างทองอี่นี้ก็มีเพื่อนเพื่อนเคยเคยรู้จักตอทีนี้ท่าก็มามาฟังฟังพูดของท่านนะฮะไม่รู้ท่านเปลี่ยนชีวิตเมื่อวัยก่อนก่อนที่ท่านมาต้องโคตรดูไปว่า คือมาอยู่ที่ส ต, ตีแล้วรเงียมาอแล้วก็ลงทะเบียน